เอาล่ะท่านผู้ฟังๆถ้าไม่ชัดเจนก็ขอ <c oughs> <c oughs> เป็นรู้ว่าตอนหลัง <c oughs> ตอนนี้ไป MI มากๆถ้าไม่ชัดเจนก็ขออภัย คนป่ากับคนหลานก็ เห็นช่างปิดทองไปแล้ว 10 องค์กว่าสวยสดงามมากเสื้ออารามเธอก็ยกมือไหว้แล้วก็ก้มลงกราบหลวงป้าก็ถามว่ากราบอะไรเธอก็บอกกราบพระพุทธรูปบอกกราบพระพุทธรูปทั้งหลวงป้าก็ถามว่ากราบพระพุทธรูปมีความรู้สึกยังไงเธอก็บอกว่าคล้ายๆ <c oughs> เพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เห็นที่พระจุฬามุนีวันนี้สีท่าน พุชิลัยก็บอกว่าหนูฟังดูเพลิ่นและทักกะยิ้มยิ้มทำให้พูดต่อมาก็ปรากฏมีพระองค์หนึ่งหันออกไปดูพระองค์นั้นท่านบอกว่าและท่านก็บอกว่าให้ถามพระพุทธเจ้าดู ว่าตามที่เขานิยมกันเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าก็จริงๆคําว่า <c oughs> จุลัยในเมื่อมีท่านผู้นําตันนั้นก็ถามตามนั้นกราบทูลถามท่านท่านก็ตอบว่าผ้าย้อมน้ําฝาดน่ะไม่ ก็การอยู่ป่าเดินทุรดงก็ดีอยู่ป่าก็ดีอยู่กับดินกับทรายหาที่สะอาดยากหาพื้นเรียบยากก็ต้องใช้ผ้า ที่หลวมวันนี้มันก็อยู่ในบ้านในเมืองไม่จําเป็นเสมอกันกําลังใจ รถข้าวก็เหลืองบองแล้วก็สบายใจฉะนั้นก็ต้องตามใจคนคิดตามใจคนต้องการถ้าเวลาอยู่บ้านปกติอยู่ พระริยสีเหลืองที่ย้อมขมิ้นอ้อยก็ได้เช่นนั้นในประเทศไทยเราหญิงพระที่จากพม่าก็เหมือนกันเวลาบวชก็ก็ <c oughs> เวลาที่คนเขาเห็นจริงเขาบอกตอนเห็นภาพของ <c oughs> ยังชอบคํามาสวยเขาชอบ จุลัยจึงกลับเรียนว่าหนูเห็นพระของสร้างเขาปิดทองหนูก็คิดว่าเหมือนพระพุทธเจ้าที่จุลามณีสวยมากจุลัยถึงบอกว่าพระทั้งหลายองค์ต้ององ 60 องค์เสดหลวงปู่สร้างได้ยังไงและก็สตางค์ที่ไหนมาสร้างพระน้อยก็บอกว่าสตางค์ที่สร้างน่ะหลานรักเขา พระที่เดินแทอยู่นี่ทั้งหมด 64 องค์แต่ความจริงเค้ามีเจ้าของที่จ่ายเงินมาครบแล้วตั้ง 90 องค์เศษ 20 ไร่ 60 องค์จํานวน 60 องค์อง 40 องค์แล้ว 20 องค์ไม่ช้า อ่าถ้า 20 ไร่แถวตะวัน 60 โอถ้าหมดนี้ก็หมดที่ทํา 12 ไร่ให้พะเยาของ <c oughs> ตุลัยก็เลยถามป้าว่าถ้าอย่างนั้นซัดจํานละนี่ส่งคงไม่ช้าก็ก็จะหมดเจ้าของที่จะสร้างใหม่คงจะหาที่ไม่ได้คุณป้าก็บอกว่าป้าก็คิดว่าอีกไม่เกิน 1 ปี หลายรายด้วยวัน 34 วันเนี่ยมีเจ้าของทุก 5 รัชกาล 6 รัชกาล 9 มาด้านทางด้านทิศตะวันตกที่หน้ามณฑปที่ออก แล้วก็มาด้านเทียม แต่ว่าหลวงปู่ก็ทําได้การที่ 1 ถึงได้การที่แต 9 แต่ไม่ครบคือขึ้นที่ 1 แต่ว่าสําหรับที่น้ําปู่ปั้นเขมณีก็ใสวัน วันที่ยะมหาราชเค้าเคารพราชการ ตุลัยก็ถามว่าหลวงปู่ท่านป้าให้ช่างเค้าปั้นหรือว่าให้ช่างเค้าหล่อคุณป้าน้อยก็บอกว่าทราบจากหลวงปู่บอกว่าท่านให้ปั้นถ้าไม่ต้องการให้หล่อทั้งนี้เพราะได้เพราะ <c oughs> ถ้าไปบอกคุณเข้าแกก็เกรงว่าจะ ฟ unions are responsible for working the old so forth and the court is ardundate's mother. belonged to the eldest son, named palace and the mother who is used to bring the graduate sex in the world. So we savaed that the house and mother have four warrants. The other Mrs. of voc. Any what kind of man who folos have in the 192F pair of four men? For millions คุณพ่อของปู่เรามีเมียคนเดียวแต่ว่าไม่ไรก็ถามว่าทําไมถึงมีแม่ได้ 4 องค์ป้าน้อยก็เลยบอกว่าพอเรื่องมัน แกก็ไม่ชอบเที่ยวชอบเตร่ก็เลยจงเป็นที่รักของคนแก่ท่านภูธา เป็นที่เพียงว่าให้พวกนี้มีสิทธิ์แต่ท่านเองท่านก็ไม่รับสินทรัพย์สินทั้งใหญ่เช่นสมเด็จพระภาจารย์ว่าอนงค์เป็นต้นเช่นเป็นครูบาอาจารย์ของท่านช่วยจัดการให้ก็เป <c oughs> ท่านถือว่าท่านไม่ใช่ลูกจริงๆในสมัยที่ท่านหนําหลายเหล่ากินมีใช้ก็มีกินมีใช้เคยรับถึงจะกินขนมไม่ <c oughs> ได้ทรัพย์สินต่างๆก็ได้กับหลานคนรับใช้เป็นต้นก็ให้ แต่พวกเราเองไม่มี <c oughs> แต 20 ปีเค้า เงินมันก็งอกมา 20 ปีเนี่ยหลาน 80% เหลือ 20% เท่ากับกินว่า ถ้าครวใจหมดไม่เหลืออย่างนี้จะถือว่าไม่มีไม่ได้ใช้เงินเลยหรือต่อไปต้องใช้ท่านก็ใช้เรื่องใช้ก็ท่านก็มีมากแต่ว่าท่านก็เอาดอกเบี้ยของเงินเล็กน้อยที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ตามอัตภาพของท่านฉะนั้นการสร้าง นิดนิดหน่อยเอามาค่อยๆทําแล้วก็หมด รับอาสาทําให้เนี่ยแล้วจริงๆคือว่ากับพระมหากษัตริย์พระองค์อย่าง ฤดิกาลที่ 1 ก็เป็นกําลังใหญ่ของพระเจ้าตักสินพังไปหลายวาระถ้าไม่ได้ท่านก็ 5 ก็ทรงรักษาผืนแผ่นดินไว้ได้ไม่ต้อง ว่าเราจะไม่ยอมเสียอะไรเลยถ้ามีความจำเป็นต้องเสียจะไม่ยอมเสียอะไรเลยถ้ามีความจําเป็นต้องเสียเราจะยอมเสียทรัพย์แต่ว่าไม่ยอมเสีย ความเป็นเอกราชของเราจะไปเขายึดๆเจรจากับเขาในที่สุดเราก็ยังมีโอกาสเป็นประเทศมากประเทศ <c oughs> ทุกรายการไม่ทางการปัจจุบันก็ตามใช่คนเขาชอบทุกคนมันก็แสนยากอย่างรายการที่ 5 ส่งเลือกคนเจ้าของทาสเขาไม่ค่อยจะยอมแล้วเค้าก็ไม่ค่อยจะชอบท่าน รัฐเอกการณ์ 6 ก็ทรงมีความเยอะตามประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอน <c oughs> มาสําหรับรณรงค์ที่ 9 นี้กําลังใหญ่มากท่านช่วยท่านอาชีพที่หลันดักหนักที่สุดหนักเท่า นั่นก็หมายความอาชีพของคนความประโยชน์ของคนก็มีทุกที่ไหนตั้งใจไปช่วยเมื่อไปช่วยกลับมาถึงเวลากลางคืนก็ต้องคิดก็ต้องวางแผนช้าก็ ก็ตั้งไว้เพราะที่นี่มีโรงเรียนเวลาถึงวันจัดกรีนัก หลานพอมีความเข้าใจได้ยังคุณหลานก็ โดยไล่ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านท่านก็ต้องกินต้องใช้ก็มี เอา 2 บาท 5 บาท 9 บาท 10 บาทรวมให้จะดีมั้ยป้าน้อย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 ถ้าปรากฏว่าที่มารชั้นโดสิดไม่มีก็แสดงว่าพระเจ้าตากสินลาพุทธภูมิแล้วปรนิพพานคุณเลย Bandyot, ik heb een tjaalkora. Ik heb lang tjaalkora, ik heb lang tjaalkora, ik de lang tjaalkora, ik heb lang tjaalkora, ik heb lang tjaalkora, ik heb lang tjaalkora, ik heb lang tjaalkora, ik heb lang tjaalkora, ik heb lang tjaalkora, ik heb lang tjaalkora, ik ik heb lang tjaalkora, ik ik heb lang tjaalkora, ik ik heb ik heb เราคืนเกิดอย่างนี้ก็มีแต่ความทุกข์อีกประการที่ 2 บาปเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์บาปคือความชั่วความชั่วทุกอย่างการทะเลาะวิวาทกับเขาก็ดีเป็นศัตรูคนเราไม่ <c oughs>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 แม้เมื่อมันพังแล้วเราคือจิตที่สิทธิ์ในร่างกายก็ต้องท่องเที่ยวบัญญัติพบต่างไม่ สักคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเวลาใกล้ไม่ช้าร่าง อารมณ์อย่างนี้ไม่เป็นเรื่องถ้ากระทั่งเท่าอารมณ์เผื่อมันเกิดเกิดความชิงขึ้นมามันก็หยุดไม่คิดถึงต่อไปเรา บาปเก่าๆบ่บังคับให้ต้องทําอย่างนั้นเราต้องเห็นใจแค่ล่ะพุทธเจ้าถามว่าแพ้ตรง ฉันด่าแกแกไม่ด่าตอบพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตถาคตมีความ หลังจากนั้นแล้วก็มันตัดสินใจขึ้นที่ว่าความโง่ที่ ยินละแม้แก่ต่อไปก็ฉั่งมันการพัดพรากของอยากโคลกของรับใจเกิดขึ้นเทวะธรรมดาของชาวโลกความตายเข้าถึงว่าเทวะธรรมดาของมันแต่ว่าธรรมดาของ ik heb een die die en die lezen, allemaal,